เยลเวนพรานท่านสาธุชนผู้ตระเวนสัาส์อุบาสิกาผู้ฝ่ธรรมทุกทุกท่านวันนี้เป็นวันพุธที่19เ้าเมษายนพุทธศักราชสองพเป็นวันพระวันธรรมวัฒนาวันฟังเทศฟังธรรมวันที่พวกเราจะมา ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ให้พวกเราอย่างน้อยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งให้ปล่อยวางภารกิจการงานการหาเงินหาทองเพื่อให้เรามาทำภารกิจหาทรัพย์ภายในกันเพราะทรัพย์ภายในเป็นทรัพย์ที่เราเอาติดตัวไปได้ หลังจากที่เราตายไปแล้วถ้าเราไม่มีทรัพย์ภายในไปเราก็จะไปแบบลำบากไปแบบยากจนและถ้าเราไปก่อหนี้ไว้เราก็ต้องไปใช้หนี้ไปติดคุกติดตารางพระพุทธเจ้าจึงสอนให้พวกเรามาสร้างทรัพย์ภายในมายุติงดการก่อ ก่อเวรก่อกรรมแล้วก็ให้เรามาซัพพอกใจของพวกเราให้มันสะอาดเพราะการซักฟอกใจจะทำให้การเวรไหวาตายเกิดของเราน้อยลงไปและหมดไปในที่สุดนี่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงเป็นห่วง ทรงรู้ว่าพวกเราทุกคนหลังจากที่ตายไปแล้วใจยังไม่ตายไปกับร่างกายพวกเราอยู่ที่ใจจะต้องไปกับใจถ้าเรามีทรัพย์ไปนายไปเราก็จะไปสบายถ้าเราไม่มีทรัพไปเราก็จะไปลบาบากถ้าเราไปก่อนี่ก่อเวน ก, อนก่อกรรม เราก็จะต้องไปติดคุกติดตารางไปใช้หนี้พระพุทธเจ้านึงสอนว่าวันนี้วันพระเรามาละเว้นการก่อห น, นี้ละเว้นการสร้างเวนสร้างกรรมด้วยการมาถือศีลน้ากันละเว้นจากการฆ่าสัตว์รับทรัพย์ประพฤติผิดโดยน้พูดปดเดิงโสรายาเมาง เพราะถ้าเราละเม้นได้เราก็จะไม่มีหนี้ที่จะต้องไปใช้เหมือนถ้าเราไปกู้หนี้ยืมสินเราก็ต้องไปใช้หนี้ที่เราก่อไว้ต่หนี้ที่เราสร้างไวน้นี้มันไม่หมดไปเหมือนกับหนี้ที่เรากู้ยืมเราอาจจะคิดว่าเราตายไปแล้วเราก็ไม่ต้องใช้หนี้ พนี่ที่เราไปกู้ยืม เ, เงินทองที่ไปกู้ยืมมาพอตายไปเขาก็ไม่สามารถที่จะมาบังคับให้เราใช้นี่ของเขาได้แต่เวลาเราตายไปร่างกายตายไปเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายนี่ที่เราก่อไว้ก็จะมีเจ้านี้คือกฎแห่งกรรมมาพาให้เรา ไปรับใช้นี่ต่อไปวันนี้วันพระเลยต้องมาละเว้นการก่อหนี้ถ้าไม่ก่อหนี้ได้ก็ไม่ต้องไปใช้นี่ไปติดคุกคุกที่เราจะต้องไปใช้นี่มีอยู่สี่แดนด้วยกันแดนที่หนึ่งเรียกว่าเดลชานแดนที่สองเรียกว่าเปรด็ดแดนที่สารเรียกว่าสุรกาย และแดนที่สี่เรียกว่านารกถ้าเราทำบาปข้อใดข้อหนึ่งเราก็จะต้องไปใช้นี่ตามความหนักเบาของบาปที่เราทำถ้าบาปเบาก็ไปเป็นเดรัจฉานถ้าหนักขึ้นมาหน่อยก็ไปเป็นเปรด ถ, ถ้าหนักเพิ่มขึ้นไปอีกก็ไปเป็นอสูรกายแล้วถ้าหนักเต็มที่ ก็ไปนรกนี่คือที่เราจะต้องไปใช้นี่เราจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามพระพุทธเจ้าทรงเห็นแล้วทรงเห็นว่าพวกเราไม่ได้ตายไปกับร่างกายพวกเราเป็นเหมือนมนุษย์ล่องหนไม่มีรูปไม่มีร่างมีแต่ความรู้สึกนึกคิดเนี่ยตัวนี้แหละไม่ตายไปกับร่างกายตัวนี้แหละที่สั่งให้ร่างกาย สร้างเวรสร้างกรรมพอร่างกายตายไปกรรมก็จะมาเอาตัวนี้ไปติดคุกติดตารางนียังไงก็หนีไม่พ้นไม่เหมือนกับทำบาปทำผิดกฎหมายยังหนีเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ถูกจับก็ยังซื้อได้จ่ายเงินได้แต่นนี้ที่เราก่อไว้ ที่เราจะต้องไปใช้ในอวายานี้หนีไม่ได้มันเป็นกฎตายตัวเป็นกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมพอตายไปเราก็ต้องไปใช้นี่ทันทีความจริงเรากำลังใช้นี่อยู่ในขณะที่เราเป็นมนุษย์คือเรามีร่างกายเป็นมนุษย์แต่ถ้าเราทำบาปนี้เรากำลังเป็นเดรัจฉานแล้วหรือเป็นเปรต หรือเป็นอสุรละกายหรือเป็นอารกแล้วนารกก็คือความรุ่มร้อนใจเครียดแค้นโกรธเกลียดอาฆาตปราบาร์อสุละกายก็คือความทุกข์ที่เกิดจากความหวาดกลัวต่างๆเปรดก็คือความรุ่มร้อนความทุกข์ใจที่เกิดจากความโลภและอุเดรัจฉานก็เป็นความรุ่มร้อนใจ พ่อไม่รู้ว่าจะถูกสัตว์ตัวอื่นมากัดมากินเมื่อไหร่นี่คือสภาพของจิตใจที่เป็นไปตามบาป ท, ที่ทำเอาไว้แม้ร่างกายนี้ยังไม่ตายไปใจก็ไปแล้วใจก็เปลี่ยนไปแล้วแต่ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ใจของเราก็จะกลับมาเป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์พร้อมกับร่างกายร่างกายเป็นมนุษย์ใจก็เป็นมนุษย์ถ้าเรารักษาศีลห้าได้ตายไปเราก็ไม่ต้องไปใช้หนี้ใช้กรรมในอบายกลับมาเป็นมนุษย์ต่อได้เลยแล้วถ้าเราทำบุญสร้างทรัพย์ภายในบุญคือทรัพย์ภายในทำบุญมากก็จะมีทรัพย์มาก ถ้ามีทรัพย์ภายในเวลาตายไปเราก็เอาทรัพย์ภายในติดตัวไปได้ทรัพย์ภายในก็มีหลายระดับมีเทวทรัพย์มีพรหมทรัพย์มีอริยทรัพย์มีนิพพานทรัพย์เนี่ยนี่คือทรัพย์ต่างๆที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันสร้างทรัพย์เหล่านี้เวลาตายไปจะได้ไป อยู่แบบเศรษฐีเศรษฐีบุญบุญคือทรา์ภายในถ้ามีบุญแล้วจะมีแก้วสารพัดนึกอยากได้อะไรก็สามารถบรรดาลขึ้นมาได้เลยพวกเทวดานี้เขาไม่มีร่างกายเขาไม่ต้องใช้ร่างกายไปหาข้าวของต่างๆไม่ต้องใช้ร่างกายไปหารูปเสียงกดลดิ่นรสเขาเนรมิตขึ้นมาได้เลยเขาระลึกถึง สิ่งสวยๆงามๆ ม, มันก็จะเกิดขึ้นมาแล้วลึกถึงความสุขที่ได้กับคนนั้นได้กับสิ่งนี้มันก็จะเกิดขึ้นมาเลยโดยที่ไม่ต้องมีร่างกายนี่คือประโยชน์ของการทำบุญและรักษาศีลจะทำให้เราเมื่อตายไปแล้วไม่ต้องไปใช้กรรมนายาบยเราจะได้ไปสู่สวรรค์ชั้นเทพมีอ เทวรัพ์เป็นสมบัติถ้าเราอยากจะไปสวรรค์ชั้นพรหมเราก็ต้องสร้างพรหมาสมบัติพรหมมาสมบัติก็คือเราต้องมารักษาศีนแปดกันแล้วมาหัดนั่งสมาธิมาเจริญสติด้วยการบริกรรมพุทโธพุทโธหรือด้วยการสวดมนต์ไหว้พระเดินจงกรมนั่งสมาธิถ้าใจเราสงบ เราก็จะได้พรมาสับนี่นี่คือสับ ร, ระดับสูงกว่าเทวซับต้องเพิ่มจากการรักษาศีลห้ามาเป็นการรักษาศีลแปเช่นวันนี้เป็นวันที่เราสะดวกเรามีเวลาเป็นวันที่เหมาะกับการรักษาศีลแปเพราะถ้าเป็นวันอื่นเราต้องไปทำงานมันจะไม่สะดวกและเราจะไม่มีเวลา มาไหว้พระสวดมนต์มาเจริญสติมาบริกรรมพุทธโธมานั่งสมาธิวันพระเราไม่ต้องไปทำงานเราก็จะได้มีเวลามาสร้างพรมาทรัพย์เราก็ต้องรักษาสีงแปดควบคู่กับการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบพอใจเราสงบแล้ว เราก็จะได้พรหมสัพย์พรหมรัพย์นี้ก็มีสองระดับรูปประพรมกับอรูปประพมรูปประพรมก็มีอยู่สี่ชั้นอรูปประพรมก็มีอยู่อีกสี่ชั้นเกิดจากกาลังของสติที่สามารถควบคุมใจให้เพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้เช่นเพ่งอยู่กับลมหายใจเข้าออกหรือเพ่งอยู่กับคาบริกรรมพุทโธ หรือเพ่งอยู่กับกระสินต่างๆเช่นสีเขียวสีแดงสีขาวสีเหลืองหรือจะเพ่งดูอสุภะดูโครงกระดูกก็ได้ถ้ามีสติมีกำลังเพ่งอยู่กับอารมณ์ต่างๆเหล่านี้อย่างใดอย่างหนึ่งได้นานใจก็จะสงบเป็นฌานขึ้นมาตามลำดับได้ฌานขั้นที่หนึ่งก่อนแล้วค่อยไปที่สองที่สา ม, ท, สามที่สี่ แล้วก็ไปอรูปฌานหนึ่งอรูปฌานสอง ส, สต่อไปนี่คือสวรรค์ชั้นพรมที่เกิดจากการรักษาศีลแปกและการเจริญสติควบคุมใจให้เพ่งอยู่กับอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งไม่ให้คิดปรุงแต่งไปหาลาบยศสรรเสริญไม่ให้คิดปรุงแต่งไปหารูปเสียงกลิ่นรสต่างๆ พอควบคุมได้ใจสงบใจก็เป็นอุเบกขาใจก็เป็นสุขขึ้นมาสุขระดับพรหมนะแล้วถ้าอยากจะรักษาความสุขของระดับพรหมนี้ไม่ให้เสือ่อนมะเราก็ต้องก้าวขึ้นไปสู่อีกระดับหนึ่งก็คือเราต้องปฏิบัติวิปัสสนาเราต้องเจริญปัญญาเราต้องหมั่นฟังเทศฟังธรรม เพื่อให้รู้จักวิธีรักษาใจให้สงบให้ใจไม่ต้องมาหาสิ่งอะไรต่างๆไม่ให้ใจเสื่อมลงไปสู่เทวภพหรือมนุษยภพเนี่ยสิ่งที่จะทำให้ใจเสื่อมลงมา ก, ก็คือตันหาความอยากคือกามาตัหาภาวะตันหาวิภาวะตันหา การมาตัญหาก็คือความอยากในรูปเสียงกลิ่นรสภาวะตัญหาความอยากได้ราบยศสรรเสริญสุขวิภาวะตันหาความอยากให้ราบยศสรรเสริญสุขไม่เสื่อมไปจากเราพอมีความอยากเหล่านี้ใจที่สงบก็จะกระเพื่อมขึ้นมาแล้วก็จะดึงใจให้ลงบารสุเทวภพสู่มนุษย์สภบต่อไป แต่ถ้าเราฟังเทศฟังธรรมแล้วพระพุทธเจ้า จ, จะสอนเราว่าวิธีที่จะทำให้ใจเราไม่เสื่อมลงมาเราต้องไม่ทําตามความอยากทั้งสามอย่างนี้อย่าไปทาตามความอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสอย่าไปอยากได้ลาบยศสารเสิร์ญอย่าไปอยากให้ลาบยศสารเสิร์ญไม่เสื่อมด้วยการพิจารณาว่า ของเหล่านี้มันไม่เที่ยงห้ามมันไม่ได้มันมีเจริญแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเสื่อมไปอยากยังไงมันก็ห้ามมันไม่ได้อยากไปก็จะทำให้ใจเสื่อมลงมาู่อยหยาไปหยาบดยกว่าปล่อยมันเสื่อมไปไม่ต้องมีมันเราก็อยู่ได้ไม่ต้องมีรูปเสียงกลิ่นรสเราก็อยู่ได้ไม่มีลาบยศสรรเสริญเราก็อยู่ได้เราอยู่กับความไม่มีดีกว่า ว่าไม่มีอะไรนี่แหละเป็นความสุขอย่างยิ่งถ้าเราตัดความอยากต่างๆทั้งสามนี้ได้หมดแล้วใจของเราก็จะว่าจะไม่มีอะไรที่จะต้องมาให้ความสุขกับใจแต่ใจกลับจะมีความสุขมากกว่าการมีรูปเสียงกลิ่นรสมีลาบยศสรรเสริญมีชานขั้นต่างๆเพราะว่าความว่างนี่แหละ เป็นความสุขที่แท้จริงของใจความไม่มีอะไรนิบานังประมังสุญญย่งังการไม่มีอะไรไม่มีความอยากจะได้อะไรไม่อยากได้ลาบยศสรรเสริญไม่อยากได้ความสงบระดับลูกประชานอารูปประชานอยู่กับความไม่มีอะไรนี่แหละเป็นนิพพานเป็นความสุขที่ถาวรเพราะเมื่อไม่มีอะไรมันก็จะไม่มีอะไรเสือ่อม ถ้ายังมีอยู่มันจะต้องเสื่อมมีลาบยศสรรเสริญมันก็เสื่อมมีรูปเสียงกิ่นลดมันก็ต้องเสื่อมมีรูปประชานมียรูปประชานมันก็ต้องเสื่อมแต่พอไม่มีอะไรนี้มันก็ไม่มีอะไรเสื่อมเมื่อไม่มีอะไรเสื่อมใจก็เลยไม่มีความทุกข์เมื่อใจไม่ทุกข์ใจก็มีแต่ความสุขนี่คือเรื่องของการมาสร้างอริยทรัพย์ระดับต่างๆ ที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาสร้างกันในวันหยุดทำงานเพราะว่าถ้าเราไม่สร้างเราโม่แต่ไปสร้างรัพ์ภายนอกหรือไปก่อเวรก่อกรรมไปสร้างนี่เหนียวตายไปเราจะเดือดร้อนมากแต่ถ้าเรามาสร้างรัพ์ภายในกันเวลาตายไปเราจะสบายสบายไปตามระดับของรั์ที่เราสร้างได้ อย่างน้อยก็ได้กลับมาเกิดเป็นมนุษย์มากกว่านั้นก็ได้เป็นเทวดามากกว่านั้นก็ได้เป็นพรหมแล้วมากกว่านั้นก็ได้เป็นพระอริยเจ้าได้ไปนิพพานไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกต่อไปนี่คือประโยชน์ที่เราได้รับจากการที่เราหยุดภารกิจการงานต่าง แล้วมาวัดมาฟังเทศฟังธรรมมาทาบุญทำทานมารักษาศรรีลมาปฏิบัติธรรมเดินจงกงนั่งสมาธิทำใจให้สงบฟังธรรมทำใจให้ฉลาเพื่อจะได้หยุดความอยากในสิ่งต่างๆทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างนั้นมันเป็นทุกข์ทุกข์เพราะว่ามันไม่เที่ยง ทุกเพราะว่ามันไม่ได้เป็นของเราได้อะไรมาเดี๋ยวก็ต้องจากเราไปไม่มีอะไรดีกว่าเมื่อไม่มีก็จะไม่มีอะไรจากเราไปเมื่อไม่มีอะไรจากเราไปเราก็จะไม่ทุกข์เมื่อไม่ทุกข์เราก็จะมีแต่ความสุข <c oughs> นี่คือเรื่องของกวนพระวันที่พระเจ้าทรงสอนให้พวกเรามาบาเพ็ญมาปฏิบัติกันขอให้เรา เชื่อพระพิทธเจ้าและปฏิบัติรับรองได้ว่าเราจะได้สิ่งที่ดีๆติดตัวกับเราไปขณะนะที่มีชีวิตอยู่เราก็มีสิ่งที่ดีๆอยู่กับตัวเราร่างกายของเราอาจจะเป็นมนุษย์แต่ใจของเราอาจจะเป็นเทพไปแล้วก็ได้เป็นพรหมไปแล้วก็ได้เป็นพระ อ, อริยบุคคลแล้วก็ได้โดยที่ไม่ต้องรอ ให้ร่างกายนี้ตายไปก่อนเพราะใจกับร่างกายเป็นคนละคนกันเราแต่งกายแต่งเนื้อแต่งตัวให้ร่างกายมันก็ได้แต่ความสวยงามของร่างกายเราแต่งเนื้อแต่งตัวให้กับใจใจก็สวยงามมันเป็นคนละคนกันส่วนใหญ่เราไม่ค่อยมาแต่งตัวให้ใจเราเรามัวแต่ไปแต่งตัวให้กับร่างกาย ใจของเราก็เลยเป็นใจที่อัปลักษ์ไปใจที่ไม่สวยไม่งามไปใจที่ทำบาปนี่เป็นใจที่ไม่สวยไม่งามแต่พอวันนี้วันพระเรามาแต่งใจให้สวยด้วยการรักษาศีลพอใจสวยก็ไม่ต้องรอให้ร่างกายตายถึงจะสวยสวยตั้งแต่บัดนี้ไปเลยเรารักษาศีลได้ใจก็จะสวยจะงามด้วยศีลละธรรม ยังขอให้ท่านจงเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญของชีวิตจิตใจที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาก็ขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตะนาตราและบุญกุศล ที่ท่านได้มาบำเพ็ญกันในวันนี้จงเหตุเป็นปัใจจัยให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญทั้งในขณะที่มีชีวิตอยู่และหลังจากที่ท่านจากโลกนี้ไปแล้วโดยทั่วหน้ากันเธอ